ท่านพระมหากท่านพระกุมารกัสสะเถระเนี่ยนะในอดีตชาติเมื่อแสนกับที่แล้วท่านเป็นลูกของเศรษฐีท่านหนึ่งในสมัยของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐุมุตระบุตรเศรษฐีคนนี้อยู่มาวันหนึ่งเห็นพระเถระพระเถระคือพระบุตรเศรษฐีเนี่ยนะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าสถาปนาสาวกของพระองค์รูปหนึ่ง ผู้กล่าวธรรมะไว้อย่างวิจิตได้อย่างวิจิตเนี่ยนะได้โวหารที่หลากหลายโดยนิยะต่างๆวิจิตกับคาว่าพิสดารเนี่ยเหมือนกันคือจําแนกโดยแง่มุมต่างๆเช่นผ้าลายวิจิตก็คือผ้าที่มีลวดลายฉันใดพระพร ะ, พระเทระรูปนั้นเนี่ยกล่าวธรรมะได้วิจิตมั่งท่านก็เลยทําบุญตั้งความปรารถนาถวายทานเจดวันแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ก็พึงเป็นเช่นกับสาวกของพระองค์ผู้กล่าวธรรมได้วิจิตอนาคตการขอให้มีบุญมีความรู้มีความสามารถกล่าวธรรมวิจิตได้เช่นกับพระเทระรูปนี้แล้วก็ตั้งความปรารถนาเท่าก ว, ว่าขอบรรลุในาศาสนาพระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปข้างหน้าในอนาคตเนี่ยนะ ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างระยะายาช่าไหมโครงการตัวนี้แหมลงทุนทําบุญ7วันเลยนะทำบุญจริงๆเลยแหละทำบุญเจวันเนี่ยลงทุนแล้วก็ตั้งความปรารถนาะกําหนดจริตอัธยาศัยไล้เลยว่าองค์ไห น, นก็ได้ในอนาคตเนี่ยขอให้มีบุญเนี่ยได้สามารถตรัสรู้ธทมแล้วก็กล่าวธรรมะได้อย่างวิจิตในอนาคตหลงังจากนั้นท่านก็ทําบุญจนจนตลอดชีวิตเนี่ยนะก็เหตุการณ์ผ่านไป เร็วเหมือนฝัน่า ง, งันเถอะเพราะเล่าเล่ารัตเนี่ยเล่ า, ล า, ลาจะรัดขนาดไหนก็ได้ใช่ไหมเมื่อแสนกลับที่แล้วก็แวบมาถึงกลับนี้เลยกลับนี้ก็พระพุทธเจ้ากักุสันทกูนาคามณะก็ผ่านไปยกถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะเนี่ยนะเมื่อพุทธันดรก่อนท่านก็กระทำบุญทั้งหลายในชาตินั้นแล้วก็ได้บวชในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะ เมื่อท่านบวชแล้วเนี่ยนะก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นเพราะท่านก็เกิดเป็นพระพิสุในยุคปลายาศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเนี่ยนะเป็นสาวกรุ่นหลังเนี่ยนะเป็นคล้ายๆกับพวกเราทั้งหลายนี่แหละมาเกิดรุ่นเรียกว่ารุ่นหางแถวเนี่ยนะรุ่นปลายฝนต้นหนาวฝนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ได้อะไรนะปกติถ้าเป็นหน้าฝนแมหมมีฝนลูกเห็บใช่ไหม อันนี้มีแต่ละ อ, องฝนตกลงมาธรรมะก็เหมือนกันเราก็มาศึกษาประเภทละ อ, องธรรมะเนี่ยนะคือบอกว่าเอา้าธรรมะเยอะแยะไม่ใช่หรือเขาบอกเยอ ะ, ยะจริงแต่ว่ามันทําได้แค่ละ อ, องมันทําเป็นเม็ดฝนไม่ได้เนี่ยนะเอเป็นว่ามันชุ่มชื้นใจบ้างก็ได้ละไม่ถึงกับมีน้ําขังน้ําตุ่มตักก็ไม่เป็นไรให้มันชุ่มชื้นใจบ้างก็ดีละมั้นผู้ที่เกิดในปลายปลายพระพุทธศาสนาทั้งหลายก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้แหละมีเรื่องกดดันหลายเรื่องมากอย่างเช่นเนี่ย เมื่อปลายปลายศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนคือพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนั้นเมื่อพระองค์ปรินิพานศาสนาก็เสื่อมลงอธิศีนก็เสื่อมลงคําว่าเสื่อศาสนาเสื่อมเนี่ยแปลว่าแปลแปลจากแปลไทยเป็นไทยอีกทีรอบแบบแปลว่าคนไม่ค่อยปฏิบัติตามไม่ใช่ศีลไม่ดีไม่ใช่สมาธิไม่ดีไม่ใช่ศีลของพระพุทธเจ้าเสื่อมหมดแล้วพระพุทธเจ้าเสื่อมจากศีล พระธรรมของพระองค์ไม่ดีจริงพระสงฆ์เนี่ยที่เป็นพระอาริยะบุคคลเนี่ยเสื่อมจากมรรคจากผลอย่างนี้เรียกว่ า, าศาสนาเสื่อมบอกไม่ใช่หมายคําว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสอนไว้ดีแล้วแต่บุคคลทั้งหลายไม่ค่อยชอบปฏิบัติตามะนะไม่มีศรัทธาที่จะรักษาศีลไม่มีศรัทธาที่จะเจริญสมถะและววิปัสสนาไม่มีศรัทธาที่จะบรรลุมรรคผลถามว่าพฤติกรรมของคนไม่มีศรัทธาทําอะไร ปกติผู้ที่เข้ามาในศาสนาสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตก็คือการใส่ใจและปฏิบัติตามคำสอนทีนี้ไม่ใส่ใจในคำสอนใส่ใจแต่คำของคนอื่นคือจำได้หมดอนาเว้นไว้แต่พุทธพจน์หวังกันเถอะใครพูดนะจะลำดับเรียบเรียงเรื่องได้หมดเลยทีพุทธพจน์แหมสูตรเดียวยังจำไม่ได้เขาบอกว่าเขาเชื่อไหมถ้าสมมติว่าแต่ละคนนะตั้งแต่เช้ามาจนบัดนี้ที่พูดคุยกันเยอะแยะเลยนะ ถ้ามาเรียงกันเป็นพระสูตรน่าอาจจะได้ถึงสิบสูตรก็ได้ที่พูดมาตั้งแต่เช้าบนบ้างดีบ้างคุยเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างจิปาละเนี่ยนะผสมปนเปนบวกลบคูณหารสําเร็จแล้วเนี่ยถ้ามาเรียงเป็นตัวอักษรเนี่ยอาจจะได้เป็นสิบสูตรแล้วบอกว่าจําไม่แม่นเหมือนกันฮะก็ลองใครมาพูดอะไรกับเราทีทำไมอุ้ยจําแม่นแน่แล้วอธิบายได้ด้วยนะขยายความได้ด้วยจําแนกแยกแยงได้หมดเลยที่พุทธพจน์ะไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร และพระองค์ต้องการอะไรก็จำไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าเราใส่ใจในคำสอนไม่มาก น, นะใส่ใจคาสอนไม่มากก็บอกบางคนบอกก็ เ, เอาจริงอยู่นะก็ใช่แต่ว่ามันไม่ค่อยจริงคือคำว่าไม่ค่อยจริงเนี่ยบอกอาใช่บ่าตั้งใจฟังจริงแต่ว่าความรักในธรรมะเหล่านั้นเนี่ยมีเท่าไหร่มันวัดกันด้วยทั้งอัธยาสัยทั้งอุปนิสัยวัดกันว่า เอาใจใส่ขนาดไหนแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบอกว่าใส่ใจแล้วธรรมะเข้าถึงใจเราไม่ล่นะถ้าเทียบกับแบบคำ ท, ทั่วไปเนี่ยนะคำทั่วไปเวลาเราคุยกันนะมันเข้าถึงใจเราเลย น, นะนะเช่นถ้าเขาพูดให้เรากโกรธนะมันเข้าถึงความโกรธเลยจริงๆ ถ้าเขาพูดให้เราโลภเราก็ได้โลภจริงๆอะนะถ้าพูดให้เราหลงงมงายเราก็งมงายจริงๆแนหะถ้าเขาพูดให้เรามมสาเราก็ได้โมสาจริงๆพูดให้เราสอเสียดเราก็ได้สอเสียดจริงๆได้ได้ด่าจริงๆแหละได้สัมผัสปลาปะเป็นต้นจริงๆให้โลภก็โลภจริงๆแหละให้โกรธก็โกรธจริงๆแหะที่คําสอนนะพระพุทธเจ้าบอกว่าตรงกันข้ามใช่ไหมที่นี่มันไม่เข้าไม่ค่อยถึงใจเนี่ยมันก็เข้าถึงรั้วบ้านเหมือนกันเะก็อค่อยังดีเนี่ยนะ มันก็เลยทรงจำพระธรรมไม่ค่อยจะได้นี่ก็เหมือนกันการใส่ใจการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติตามคําสอนนั้นลดน้อยถอยลงไปเนี่ยนะสีนก็ลดน้อยถอยลงไปก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะคำพูดที่ปรารบศีนเลยนะหมายความว่ามันวนว น, ว น, วนพันพันอยู่กับเรื่องสีเนี่ยทั้งวันเนี่ยพูดได้กี่คำเนี่ยนะถ้อยคําที่เรียกว่าพัวพันอยู่กับสมะถะและวิปัสสนาเนี่ยนะ ทั้งวันทั้งคืนแล้วอยู่ได้กี่คําถ้าจิตใจไม่เป็นไปกับสมถะและวิปัสนาเป็นอะไรก็เป็นอกุศลทั้งนั้นแหละถ้าไม่เป็นไปกับศีลสมถะและวิปัสนาถ้าไม่เป็นไปตามคําสอนทีนี้ไอ้ถ้าไม่เป็นไปตามคํ า, าคสอนที่อยู่ที่อื่นมันไม่มีปัญหาไอ้คนที่ไม่ทําตามคําสอนแล้วอยู่ในเวทวงพระาศาสนาลักษณะแบบนี้แหละเขาเรียกว่ า, าศาสนาเสื่อมเรียนลับที่อื่นแต่อยู่ในพระาศาสนาเนี่ยนะ หมายค่าว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาจจะใช้ของพระพุทธเจ้าสั ญ, ญลักษณ์ตัวแทนของพระหัต์ที่จริงแต่กายวาจาใจไม่ใช่แล้วเนี่ยนะอันนี้ลักษณะที่วิปริตแปรปลวนไปลักษณะนี้แหละเรียกว่ า, าศาสนาเสื่อมก็คือสัตว์ทั้งหลายเสื่อมจากการรักษาศีลอ น, นลดการรักษาศีลลดการเจริญสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะก็แปลว่าประชากรตกงานอนั้ ศีลนี่เป็นการงานสมถาวิปั ส, สนาเป็นการงานทุกคนตกงานกันหมดเลยนี่แหละเรียกว่างานจะเรียกว่างานเสื่อมก็ไม่ผิดเนี่ยนะศีล ส, สมถาวิปั ส, สนาก็เสื่อมลงเสื่อมลงอกุศลก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยนะทีนี้ก็มีบุคคลที่เขาเกิดในยุคนั้นเนี่ยนะเขาก็สังเวชสลดใจเหมือนกันว่าโอ้โหศาสนาเสื่อมแบบนี้เนี่ยเหตุการณ์เป็นแบบนี้มากๆเนี่ยไม่เป็นผลดีกับพวกเราเลยเนี่ยนะทำไงดี ภิกษุห้ารูปก็เลยผูกบันไดขึ้นภูเขาเรียกว่าขึ้นเขาขาดเนี่ยนะกระทาสมณธรร ม, ม, รรมทุกคนเนี่ยบอกว่าสละชีวิตแล้วไม่เอาละเนี่ยนะจะขึ้นเขาขาดเพื่อจะไปเจริญสมณธรรมพระสังฆเทระเนี่ยนะเมื่อไปอยู่ปฏิบัติสามวันก็บรรลุเป็นพระอาหารก็แปลว่าปลายศ า, า, า, าสนาถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงก็ บรรลุได้เนี่ยนะถึงจะปลายาศาสนาถึงช่วงาศาสนาเสื่อมถ้ามีศรัทธาที่จะเจริญจะปฏิบัติจริงๆก็ตรัสรู้ได้วันที่4พระนุเถระคือเถระรูปที่สองก็เป็นพระอนาคามีรูปที่3 4 5หทั้ง3รูปที่เหลือไม่สามารถทำคุณวิเศษให้บังเกิดขึ้นได้ก็ไปเกิดในเทวโลกท่านเหล่านั้นก็เสวยสมบัติในเทวดาและมนุษย์ จากมนุษย์สู่เทวดาจากเทวดาสู่มนุษย์เนี่ยนะเวียนตายเวียนเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์อีกหนึ่งพุทธันดรพุทธันดรเนี่ยก็แปลว่าโอ้โหหลายร้อ ย, ห ล, ยหลายล้านปีนักแหลมังงันนานมากทีนี้องค์หนึ่งนะในจํานวนสองค์นะั้นอ่ะนะองค์ที่หนึ่งก็ไปบังเกิดในราชตสกูลกรุงตักศิลาเป็นพระราชาพระเจ้าปุกุศาติ พระเจ้าปกุตสาตินั้นเนี่ยนะเรื่องราวเดี๋ยวข้างหน้าจะมีว่าพระเจ้าปกุตสาตินี่ครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองตากศิลาปัจจุบันเรียกว่าอัฟกานิสถานเนี่ยนะอัฟกานิสถานแล้วก็เขามีพ่อค้าจากจากเมืองตากศิลามาค้าขายที่ราชครึกพ่อค้าราชครึกก็ค้าขายที่ตากศิลาเนี่ยนะหรือแถวแถวอัฟกานิสถานเนี่ยว่มีพ่อค้าไปกันมาไปกันมาก็มีการส่งสารมีเครื่องบรรณาการฝากจากพระราชาองค์หนึ่งถึง องหนึ่งตอนหลังพระเจ้าพิมพ์พิสารก็ฝากธรรมบัรนาการเขียนข้อความในรัตนสูตรเนี่ยนะสรนเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแสดงว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เกิดขึ้นแล้วในโลกจดข้อความรัตนสูตรเป็นต้นและวิธีการเจริญอาณ า, าปานสติเนี่ยส่งเรียกว่าไป็ส่งเป็นธรรมนาการเนี่ยไปให้พระเจ้าปุกุศลติพระเจ้าปุกุสาติอ่านรัตนสูตรเป็นต้นจบและเจริญอาณ า, าปานสติก็ได้ฌานสี่ตอนหลังท่านก็สละ ราชสมบัติบวชอุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้าเดินทางมาถึงกรุงราชเครือเรียกว่าเดินทางด้วยความเหนื่อยยากลําบากมาถึงก็ไปพักอยู่ที่โรงช่างหม้อพระพุทธเจ้านั้นก็ไปสงเคราะห์ท่านไปแสดงธรรมให้พระเจ้าปกุปปสาติฟังบรรลุเป็นพระอนาคามีที่โรงช่างหม้อที่เมืองราชครือเนี่ยนะแล้วก็พอบรรลุเป็นพระอนาคามีก็ขอบวชเสร็จแล้วก็บริขารไม่ครบพระองค์ก็ให้ไปหา บริขารระหว่างทางก็วัวหิดตายเนี่ยนะพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทําบุญให้อย่างใหญ่โตนะแล้วก็บรรจุพระธาตอ่าบรรจุกระดูกของท่านหรือพระทานของท่านนะ่ะนะบรรจุไว้ในเมืองราชเครื่สร้างเป็นเจดีย์เอาไว้เนี่ยนะให้ผู้คนกราบไหวบูชาแล้วก็พิธีงานศพของพระเจ้าปุกุสาตินั้นเยี่ยงกับมหากษัตริย์ทั่วไปแล้วก็จัดใหญ่โตมากอันนี้องค์ที่หนึ่งนะองค์ที่หนึ่งก็เป็นพระอนาคามีตอนนี้ท่านอยู่สุทาวาสน่ะนะ มันองนี้ไม่น่าหนักใจแล้วใช่ไหมเรียบร้อยสบาย ส, สุโคสมซอนนันะทีนี้องค์ต่อไปองค์ที่สอง อ, องค์ที่สองก็เนี่ยนะอดีตนักบวชเก่าเนี่ยนะก็เวียนตายเวียนเกิดเสร็จแล้วก็ไปบังเกิดในเรือนสกุลก็แปลว่าเกิดในตระกูลเศรษฐีใกล้ท่าเรือสุ ป, ปรารกะแห่งหนึ่งก็เป็นเกิดในตระกูลพ่อค้าขึ้นเรือเนี่ยนะไปค้าขาย เรือก็อับปางเรือมันแตกกลางทะเลเขาก็เลยนุ่งท่อนไม้แทนผ้าทีนี้ตอนหลังพรนุ่งท่อนไม้แทนผ้าเนี่ยหมายว่าเอาผ้าแบบเคยเห็นพวกเผาบางเผ่าไหมเอาซี่ผ้ามาร้อยๆกันแล้วก็นุ่งอ่ะบอกอุย้ยสร้างสันโดษแท้คนก็เลยนึ ก, กว่าเป็นพระอรหันต์ก็เลยพากันเอาลาบสักการะไปบูชามากนะก็ถือว่าแม้ร่ํารวยเลืกเอกไปไรนะัสมักน้อยสันโดษดูซี่ผ้าท่านยังไม่เอาเลยเนี่ยท่านนุ่งเปลือกไม้เฉยๆเนี่ยนะคนก็เลยเลื่อมใสามาก ตอนหลังเนี่ยเทวดาผู้หวังดีตักเตือนก็คือเทวดาที่เป็นพระอนาคามีองค์ก่อนนู้นเนี่ยก็มาเตือนว่าตัวท่านไม่ใช่พระอรหันต์ดอกและตัวท่านเองก็ไม่มีข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ก็เลยาแล้วใครเป็นพระอรหันต์ใครรู้ข้อปฏิบัติให้เป็นพระอรหันต์พรมท่านนั้นหรือเทวดาผู้นั้นที่หวังดีก็แนะนําให้ไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้าท่านก็ไปไปในที่สุดก็ฟังธรรมก็บรรลุเป็น พระอาหารหันต์แล้วก็ไปเที่ยวสแสวงหาบาตรจีวรโคก็ขิดตายอย่างนั่นแหละไโคตัวเก่านั่นแหละดตายเนี่ยนะคือคือโคตัวนั้นมันไม่ใช่โคแทมโคพันเทียมเนี่ยนะก็คือเนื่องจากว่าโคอดีตนางยักษินีผู้เป็นคู่เวณเนี่ยนะเป็นคู่เวณของอะไรสุ ป, ปะพุทธกุฏิกุทธเ น, นี่ยนะกุฏิโรคเรือนะอ่ะที่ขิดสุ ป, ปะพุทธขิดปกุศสัตติขพาหิยะทารุเจริยะแล้วก็ขิด เพชรคาดคราวแดงนั่นแหละในอดีตก็คือนางยักษินีนั่นแหละคู่เวน อ, ด, นนอดีตโสเพณีในหลายๆชาติมาก่อนแล้วทีนี้องค์ที่สองค์ที่สนี่คือใครก็คือพระกุมารกสปะที่เรากําลังพูดถึงอยู่นี้ท่านก็มาบังเกิดในเรือนมีสกุลตระกูลหนึ่งก็มาเกิดในลูกสาวนะมาเป็นลูกของมาเกิดในครันของลูกสาวเศรษฐีที่เมือง ราชเครกเนี่ยนะนางเนี่ยพอเจริญเติบโตขึ้นมาก็อ้อนวอนขอพ่อขอแม่เพื่อที่จะบวชใช่ไหมพ่อแม่ก็ไม่ยอมให้บวชให้แต่งงานอย่างเดียวไม่ให้บวชทีนี้ทำไงดีเมื่อเมื่อไม่ยอมให้ให้บวชให้แต่แต่งงานนางก็เลยทําไงก็ในที่สุดก็แต่งงานพอแต่งงานก็อยู่กับสามีก็อ้อนวอนสามีขอร้องสามีเพื่อที่จะบวชเนี่ยนะ ทีนี้สามนางตัวนางเองก็ไม่รู้ว่ามีคันสามีก็ไม่รู้ว่าตัวนางเนี่ยมีคันนางอ้อนวอนสามีจนประสบความสําเร็จสามีก็อนุญาตให้บวชเมื่อบวชในสํานักพิษุณีเนี่ยนะคันก็โตขึ้นโตขึ้นนี่ตอนนั้นน่ะนางไม่ได้อยู่ที่เมืองราชครึกแล้วก็อพยพไปอยู่ที่เมืองอท่านก็จาริกไปพักจําวัดจําพรรษาอยู่ที่เมืองไหน